ความมืดต้องสายความสว่างจึงปรากฏอย่างง่ายๆคือว่าเงา เ, เงาคนหรือเงาแดดหรือเงาไม้ก็ตานี่มันต้องมีแดดต้องมีโซ่ความสว่างเพื่ อ, อเกิดเงาขึ้นถ้าไม่มีแดด ก, ก็ไม่มีเงามันคู่กันเลยเป็นฝาแฝดลองพิจารณาไปอีกนิดหน่อยอย่างเขาว่าเนี่ยในดวงอาทิตย์มันมีจุดมืดจุดดับ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 แต่ถ้าเกิดรอบๆ ข, ข้างๆนี่มันไม่สว่างขึ้นมาไอ้ที่กลายเป็นจุดดบนี่มันก็จะสว่างชัดเจนเพราะว่ามันร้อนตั้งพันองศามันร้อนยิ่งกว่าไฟในเตาที่เราจุดสิศอีกเมื <agn surrounds> <knowledge> <prevention> <Seriously. S 1> ่อไม่กี่วันมีคนส่งภาพที่ประหลาดมาให้มันจริงนน่าดูมันก็ไม่ค่อยประหลาดหรอกเป็นภาพตารางหมักลุกตารางหมักลุกเราก็นึงภาพออกมีขาวมีดํามีขาวมีดํา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 เวลามันอยู่ในเงาหมึดมันกลายเป็นสีเทาขึ้นมาก็เงาหมึดมันดํากว่านั่นสิไอ้เงามืดนี่มันดํากว่ามันก็ทําให้ช่องที่ดําน้อยกว่ากลายเป็นสว่างขึ้นอันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสความสว่างต้องอาศัยความมืดถึงปรากฏแม้แต่ช่องที่เรารู้สึกว่าดําแล้วแต่ถ้ามันมีอะไรที่มันดํากว่าเข้ามาเทียบเคียงไอ้สิ่งที่เราเชื่อมันดําก็กลับเกิดสว่างขึ้นมา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 สั้นกับยาวอยู่ด้วยกันและดีกับชั่วก็อยู่ด้วยกันด้วยอันนี้ถ้ามีเวลาก็จะอธิบายต่อไปในชีวิตก็มีความตายในความหนุ่มสาวก็มีความแก่ในความไม่มีโรค ก, ก็มีความเจ็บป่วยอยู่อันนี้ไม่ได้พูดเองนะพระพุทธเจ้าตรัส บ, บอกว่าความแก่มีอยู่ในความหนุ่มสาว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 ยังอยู่ในถ้ำเมื่อแสนปีที่แล้วมนุษย์เราอยู่อยู่ในถ้าอันนี้ยังเป็นคนอยู่ไหมเราก็บอก่าเออยังเป็นคนอยู่นะพวกที่อยู่ในถ้าถอยหลังกลับไปหนึ่งล้านปีเมื่อมนุษย์เราเปือยเปลาป่านะแล้วก็เดินสองขาแต่ว่าเดินไม่ตรงยังเป็นคนหรือสัตว์ถอยหลังออกไปเมื่อที่มนุษย์เรายังตัวเตเี้ยๆอยู่ไม่ถึงหฟุตนะ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 อันนี้พูดถึงอากับกริยาทางกายนะลักษณะทางกายนะและในความเป็นสัตว์ของลิงหลายชนิดมันก็มีความเป็นคนอยู่ด้วยเช่นเดียวกับในความสั้นมีความยาวแล้วก็ในความยาวมีความสั้นอเรื่องนี้เนี่ยมันในช่วยทำให้เราเข้าใจเรื่องสมมุติมากขึ้นสมมุติเนี่ยมันเป็นคำเรียกว่านี้สั้นว่านี้ยาวว่านี้คนว่านี้สัตว์แต่ว่าไอการสมมติเนี่ยคาสมมตินี่มัน มันไม่ใช่ความจริงแท้แต่เราไปหลงติดว่าไอ้สมุนเนี่ยคือความจริงแท้แล้วก็ทำให้เรามองอะไรออกมาเป็นเป็นขั่วเป็นคั่วเสร็จแล้วเราก็ไปยึดไปติดว่านี่คือความจริงพอยึดติดความจริงแล้วพอมันแปรเป็นอื่นเราก็ไม่เข้าใจแล้วแลการมองอะไรเป็นขั่วเป็นขั่วนี่ก็ทำให้เรามองอะไรแบบแยกๆ ก, กันไม่ได้มองอะไรเป็นอย่างเชื่อมโยง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 อ้าวแล้วผมทําผิดอะไรที่ตรงไหนในสายตางผู้ใหญ่นะก็เห็นว่าโอ้แก้วนี่มันไปหลงสมมุติมันก็แค่เรื่องบทบาทเรื่องละครไปยึดไปติดมันทําไมแต่ว่าสิ่งที่ครูหรือผู้ใหญ่ไม่ได้นึกก็คือว่าแล้วจริงๆคนไทยคนพมา่าที่อยู่ชายแดนเนี่ยจริงๆมันก็สมมุตินะเราสมมุติว่าชาตินี้ ชื่อว่าพม่าเราสมมติว่าชาตินี้ชื่อไทยเราสมมุติว่าอีกชาติหนึ่งชื่อลาวชื่อเขมรจริงมันก็สมมติเหมือนกันแหละมันไม่ใช่แค่สมมุติในเรื่องละครระหว่างแก้บกับชาลีเท่านั้นไอความเป็นชาติเป็นคนชาตินั้นชาตินี้ก็สมมุติเหมือนกันแต่แล้วทําไมเราถึงปลูกปั่นให้เกลียดกันนี่เวลานี้สมมุตินี่มันเข้ามาครอมงำเราครูอาจจะเห็นว่าเด็กมันโง่นะที่ไปติดสมมุติ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 ฉันเป็นฝ่ายรัฐบาลแกเป็นฝ่ายค้านและสมมติอย่างนี้แหละที่มันทำให้เราทะเลาะ ก, กันตีกันซึ่งที่จริงก็ไม่ต่างจากแกกับชาลีเราไม่ได้ต่างกันเลยนะเราไปว่าแก้กับชาลีมันโง่และเราเองนี่โง่กว่าเขาหรือเปล่านะเพราะมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันก็มาจากนะเผ่าพันธุ์เดียวกันมาจากพ่อแม่เดียวกันนะเป็นมนุษยชาติเหมือนกัน ไอ้สมมติอย่างนี้นี่สำคัญนะเราไม่ได้สมมติแค่เรื่องชาติเท่านั้นเเรื่องดีเรื่องชั่วก็เหมือนกันการสมม Bis ุติว่าดีว่าชั่วแล้วเราก็มักจะมองว่าคนดีออกับคนชั่วนั้นมันคนละส่วนกันฉันดีแกชั่วคนดีออกับคนชั่วมันคนละพวกแต่ที่จริงถ้ามองแล้วนะความดีกับความชั่วมันไม่ได้แยกกันในความดีก็มีความชั่วอยู่ในความชั่วก็มีวความดีคนที่เราคิดว่าดีเนี่ย